กำลังดูในวัวสวิธีนะครับหน้าร้อเอ้าเอ่ะาใหม่อีกครั้งนะบันพชิตควรกระทำวามสำเนียงว่าเราจะไม่แสดงธรรมแต่คนมีร่มในมือที่ไม่ได้เป็นไข้จะ ก, กั้นอยู่หรือถือไว้เฉยเฉยก็ตาถ้ายังไม่ปล่อยจากมือก็สแสดงธรรมให้ฟังไม่ได้นั้น ห้ <58. S 2> าสบปรรพชิตพึงกระทำความสำเนียงว่าเราจะไม่แสดงธรรมแต่คนมีไม้พลองในมือที่ไม่ได้เป็นไข่ไม้พลองต้องยาประสีสบมชิมะบุรุษสั้นกว่านั้นหรือยาวกว่านั้นไม่จัดเป็นไม้พลองห้บาบเก้รรพชิตพึงกระทำความสำเนียงว่า เราจะไม่แสดงธรรมแก่คนมีอาในมือที่ไม่ได้เป็นไข้หกสิบบรรพชิตคืนกระทาความสำเหนียวว่าเราจะไม่แสดงธรรมแก่คนมีอาวุธในมือที่ไม่ได้เป็นไข้นนไนธ น, น, ขนูทุกชนิดรวมทั้งลูกศรชนิดต่างๆชื่อว่าอาวุธวววชื่อว่าสรุป ส, ร, สรุมัโดโต แค่มลั่นสองวางนี่น้าดีนะครับอาการจบแล้วนะโหมันก็เหลืออีว่างเดียวใช่ไหมถ้าจมวันที่หกเหลือกว่างเดียวนะครับไม่ต้องทําโอหลังพวกนี้นะคระับพ่อมีงานให้ช่วยนะครับอันนี้เดี๋ยวพูดนะพูดทั้งชั่วโมงให้ช่วยนะห <c oughs> ้าสิบเจ็ดนี่บอกว่าไม่แสดงทํามแตคนที่มีโรคในมือนะครับที่ไม่ได้เป็นไข้ถ้าเขาป่วยไขย้ต้องอาศัยจําเป็นต้องกั้นโรคไม่เป็นไรอ น, นี้เขาไม่ได้ป่วยนะ <K _> เขาจะกั้นล่มอยู่นะครับหรือไม่ได้กั้นแต่ว่าถือว่าเฉยๆก็ตามนะครับไม่ได้ทั้งนั้นนะตามได้ที่มือเข้ายังถือล่มไว้ยั j j ap, งจับล้มไว้อยู่นะครับจะแสดงทําให้เข้าฟังไม่ได้นอกจากเข้าวางล่มก่อนใช่ไหมหรือไม่จับนะอันนี้ไม่เป็นไรครับหรือว่าถ้ามีคนอื่นเขากั้นให้แกไม่เป็นไรนะคนอื่นเขากั้นให้หรือว่าแกไปวางบนขาลองใช่ไหมอันนี้ไม่เป็นไรอันนี้พูดถึงเอามีล่มในมือก็มีล่มในมือจริงๆนะครับ มือจับล้อมอยู่อย่างเงี้ยถึงจะเป็นนะครับอันนี้นะอันนี้นะครับคำว่าทำในที่นี้ก็คือทำที่เหมือนกับไอ้นะแสดงคำแก่นุสบสัมพันธโดยบท น, นะในข้อนั้นนะครับมันนี่เป็นภาษาบาลี้ลยนะที่ใช้ต้องอ่านบัต น, นะครับพุทธพาสิทสาวกพาสิทอิสิภาสิทเทวตาพาสิทง่ายๆนะครับประไตรปิฎกทั้งหมดแหละอันนี้นะระไตปิฎกทั้งหมดนะครับนั่นไม่ได้ แต่ไม้ภาษาบาดีนะครับถึงทำาหต้องอ่านบทในข้อนี้นะแล้วก็ข้อ5้านะครับจะไม่แสดงธรรมแต่คนที่มีไม้พลองในมือที่ไม่ได้เป็นไข่ไม้พลองเอาไม้พลองที่ยาวส2อไม่ชิมากุดนะครับสอกประมาณสองเมตรใช่ไหมครับ2เมตรนะถ้ายาวผนดสั้นกว่านี้ก็ไม่จัดไม้พลองแสดงฟังหน้าก็ไม่เป็นไรนะครับเส้นเดียวนะ ข้าต้องอย่างนี้นะก็สี่สองสี่สองช้อนไม่ได้ไม่ได้ตามนี้เลย <c oughs> แหละเส้นเดียวเหรอเอาเอาตามสับก็แล้วกันนะบอกว่าถ้าสั้นกว่ายาวกว่าก็ไม่จัดไม่จัดเป็นหรือว่ามันคือเราคนกะประมามว่าสองไม่เป๊ะไม่ได้หรอกเพราะมาชิมะบุรุตมันอาจจะขนาดไหน เซนเดีอม่าแต่ยังเข้าอยในนั้นก็ได้เอาว่าจุ่บมยาขึ้นมาหน่อยนะอะไรนะครับไม้พอไม่เหมอนลกไม้เหมือนลูกเสออท่อนไม้ธรรมดาก็แล้วแต่นะครับนี่นะเอาไม้พลองอ้าวผมปฏิเสธไม่เข้าใจใช่ไหมครับเขาเป็นไม้เท้าเล็กก็ได้หรือว่าใหญ่กว่านั้นก็ได้นะครับถ้าไม้พลองคนไทยเนี่ยเข้าจะเอาไม้ไผ่เขาปฏิเ ไม้ไผ่ท่านใหญ่ๆนะขนาดกำมือถนัดเลยแหละที่พวกเด็กนะครับลูกเสือสำรองปถมนะก็จะใช้กันนะครับอเอาไว้เป็นอาวุธอย่างนี้นะนี่ครับนี่ก็ยังไม่พรหรือว่ามันในใครเห็นข้อวลำกระบิด ก, กระบองไหม<อ>ลำกระบองนั่นแหละครับอไอ้ไม้ลำกระบองนั่นแหละนะครับอย่างนั้นไม้พรหรือไม้กระบองอันเดียวกันนะครับที่ก็าลำกระบองนะครับแต่ต้องยางเนี่ยเลยนะสี่ศอกของมาชิมะบรุนนะครับ ถ้าไม่ปา่าล้วก็ไม่มีปัญหานะมันก็ไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมครับยาอันนี้ก็ลักษณะดีกันว่าเขาต้องถืออยู่ด้วยนะถ้าไม่ถือนี่ก็ไม่เป็นไรห้าสิบ59้านะครั บ, รบเราจะไม่แสดงคาแก่คนมีดาบในมือที่ไม่ได้เป็นไข้โอ้โหมีดาบในมือนี่ไม่ได้อันตรายนะครับอะสามารีเป็นสัตตรานะหมายถึงอาวุธนะครับที่มีคมข้างเดียวหรือว่าคมสองข้างก็แล้วแต่ใน โยชนาเขาอธิบายว่าได้แกด่ดาบนะครับกระบี่มีดขันเป็นต้นนะครับผู้ได้มีคมนะเขายังถืออยู่แล้วไม่ได้เป็นไข้นะครับสดงความไม่ได้ต่อไปนะครับเราจะไม่แสดงทําแก่คนที่มีอาวุธในมือที่ไม่ได้เป็นไข่อาวุธในที่นี่หมายาถึงธนูนะครับธนูเฉพา ะ, ะลูกศรหรือว่าเฉพาะธนูทั้งพ่อลูกศรก็แล้วแต่ไม่ได้เท่านั้นนะครับเข้าถือเฉพาะธนูใช่ไหม ธนูที่มีสายหรือไม่มีสายก็แล้วแต่นะครับขอให้เป็นธนูก็แล้วกันเดี๋ยวถ้าจะอธิบายนะธนูมีสองแบบผมอ่านแล้วผมยังไม่เข้าใจนะธนูเก่าทั น, นครับต่างกันไหมครับธนูเก่าทันคครรัับบในหนังจีนเขาไมรา่ได้เรียกว่าหน้าไม้ใช่ไหมหรือว่าเดียวเก่าทันต้องถามหลวงพ่อครับ เดี๋ยวจะอ่านคํ า, าที่บาลให้ฟังนะคําว่าเก่าทัน <c oughs> สั่งสาเข้าที่บาลหนึ่งนี <c oughs> ้นะครับอาจจะมองภาพออกก็ได้ถ้าใช้สั่ง น, นะครับว่า <c oughs> ธานูชนิดหนึ่งไอ้อ่อธนูก่อนนะธรรมดานะคที่ไม่ใช่ธนูชนิดหนึ่งคอด ต, ตรงกลางตรงกลางมันจะโคต มันกัธนูธรรมดาใช่ไหมครับเหมือนกับด้านแว่นหรือสาแหลกชื่อว่าจาโปนี่นะครับอันนี้คือธนูธรรมดาใช่ไหมครับตรงกลางโคดนะเหมือนกับด้านแว่นหรือว่าสาแหลกนะครับถ้าลึกภาคสาแหลกจะรู้เลยใช่ไหมครับว่าธนูอย่างนั้นธนูชนิดหนึ่งที่มีด้านกลมนี่นะครับแผลงนะอันนี้บอกว่ามีด้านกลมชื่อว่าเกาชันนะครับจะเป็นหน้าไม้ไหมครับบอกว่าธนูชนิดหนึ่งมีด้านกลม ชื่อว่าเกาทันครับเจดระพวกไหนพวกน้ำไม้มันมีด้ามปืนเออด้ามปืนมาก่อนครับน่ครับอันนี้อันนี้อธิบายอีกแบบนะเาบอกว่าเกาทันอธิบายอีกแบบหนึ่งเนี่ยนูชนิดหนึ่งเอาธนูก่อนนะครับนูชนิดหนึ่งเหมือนกับด้ามค้ำหามซึ่งข้อตรงกลางชื่อว่าจาโปนะครับนูชนิดหนึ่ง ซึ่งมีด้าถูกเจาะไว้ชื่อว่าเกาทันครับน่าจะหน้ า, มาไม้ครับเพราะบอกว่าไอ้ด้าวเขาเจาะไว้นะครัเป็นหน้ า, มาไม้ครับมันไม่น่าจะมีอะไรถนนที่แปลกตรงนี้เป็นประเภทที่สามใช่ไหมครับมีอะไร สรุปตรงกลางนะท่าสตวอืมสรุปตรงกลางทหัวแหลอือแล้วก็มันจะเป็นแบบตรงคล้ายๆจะเป็นหางโคไอ้ลูกนงจะขนาดเท่ากันเลยเพราะว่าล้มันจะมีร่องตรงท้ายนไว้เสียบกระสันแลมันจะเป็นไม้ไผ่ทั้งลาเลยแต่ด้านข้างจะทำเป็นมังงอได้ใช่ไหะตรงกลาง จาะตรงกลางเลยนเนอะมันจะแม่งกว่าอ๋อมันก้าได้ดีกว่าใช่ไหมมีตัวรองงันอย่างงั้นก็ได้นะมีแบบนึงนะครับนั่นแหละเนี่ยต้องถามผู้ที่ใครมีประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้สนุมเลยครับธนูขับยากไหมได้ครับเอาแบบนางเก้าหลีก็ได้ ต่อไปนะคะรับ ก, ก็จํานมือนกันนะเมื่อกี้อ่ะมาดูต้มนมะหยังกันละกันนะครับคาที่บานก็ค่าวต่อไปก็แล้ว ก, กันนะเราดูต้มนมะหยังกันลวกันต้นมะหยังมาจากใครมาจากพระจาปักขีนะคะอันนี้นะ สุรุรวกะหน้าก้าวท่สนัถ้าครดูพระาลีนะครับสุรุสุวักสิกขาวัที่7ดสามันีนิทานครั้งนั้น ป, ปัจจบัคคีแสดงธรรมแก่บุคคลผู้กั้นล่มบรดาพิจิตผู้มากน้อยสันโดษต่ก็แขงเทวีเต็มพุทนุนาะครับว่าฉนายัยจจบคคีิได้สแสดงธรรมแก่บุคคลผู้กั้นร่มเล่าแล้วกลาวเรื่องนั้นแต่ไม่มาพลาเจ้าผู้ทวงก็ทรงสอบถามทรงติดเตี้ยแล้วก็มีสิกขาวนนี้ขึ้นมานะครับ ครั้งแรกยังไม่มีคําว่าเป็นไข้น่ายังไม่มีนะครับก็โดยสมัยนัแ้แหละทุกจุดทั้งหลายรังเกียจเพื่อจะแสดงธรรมแก่คนเป็นไข้มีรูในมือชาวบานก็แพ่งเท่าอิเตมปต น, นานะครับว่าเนี่ยฉะนั้นพระสํมมาสัมเจ้ญญาศักย่บุรตรจึงไม่แสดงธรรมแก่คนเป็นไข้ซึ่งมีรูในมือล่ามนะครับเรื่องก็ไปถึงพระพุทธเจ้านะครับพวกเราก็ทรงอนุบัญญัติขึ้นมานะมีคําว่านะครับเราจะไม่แสดงธรรมแก่บุคคล ไม่ใช่ผู้เป็นไข้มีร่องนมืก็ไม่ช่ผูเป็นไข้เพิ่มเข้ามานะครับอืท่านก็จะอธิบายถึงล่มนะบอกว่ามีร่มขาวร่มเสือลําแพนล่มใบไม้เห็นยครับที่แยกเป็นวงกลมพุงตุกขี่ใช่ไหมครับอย่างร่มธรรมนานะดังนันจะพูดอธิบายในข้างหน้าบอกว่าแม้แต่ล่มเข้าใบตาลตัดมาแล้วก้านมันทําเป็นด้ามใช่ไหมเอาตัวใบทําเป็นล่มในงั้นก็ไม่ได้ ก็ถือว่ามีร่มในกันนี้นะร่มใบไม้ใช่ไหมไม่ได้เท่นั้นธรรมนี่ก็เหมือนกันนะครับธรรมะง่ายๆนะหนึ่งแล้วแสดงธรรมโดยบทนะครับถอยคําที่อิงอัดอิงธรรมนะถ้าบาลีพระเตมยศทั้งสิ้นนะครับอ้าวปรกถาด้วยดีกว่าในที่นะอ่านปรกถาด้วยไหมครับอันตรกถาด้วยใช่ไหมนั่นนะครับพระบาลีได้อานปรกถานะครับอ ไปเพป็นภาษาบาลีนะครับท <hi. S 1> <hey. S 2> ี่ยกมึ่งสู่การสังเคราะนาใช่ไหมแสดงโดยบทก็ต้องนะครับต้องบัรทุกกฎทุกบดนะครับเอแสดงด้วยบทก็ต้องโดยบทนะเป็นแต่ละบาทแต่ละบาไปตามข้อนั้นนะครับแสดงเป็นแตขณะก็ต้องบัดโดยขณะไปนะครับอันพิสูจไม่ควรแสดงทำแก่บุคคลไม่ ไม่เป็นไข้ผู้กันล่มพิสูดาสายความไม่เอื้อเฟื้อแสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้ผู้กันล่มต้องอบัตรทุกกฎนะอณ า, าบัตรเหมือนกันเลยไม่แกล้งเผลอไม่รู้อาฆาตเมียนตรายวินนกลจริี่กรรมวิการไม่ต้องอบัตรไรต่อไปสาวสถิน่นทานครั้งนั้นพระเจ้าปัี่แสดงธรรมแก่บุคคลผู้ถือไม้พรองนะครับพระองค์ก็ทรงบัญญัติอธิบายว่านะที่ชื่อว่าไม้พรองได้แก่ ไม้คลองยาสีสอบของมชิมาบุรุษยากว่านั้นไม่ใช่ไม้คลองสั้นกว่านั้นก็ไม่ใช่ไม้คลองนะครับต้องสีสอบเนี่ยนะเป้ก็เป้นะครับ <c> เ <oughs> มื่อยากว่าสั้นกว่าไม่เอาเออ น, อ น, อ น, นะครับอันอภิสุทธิดนะครับพึงสแสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้ผู้ถือไม้คลองที่สุธิอาศัยองค์ที่พิสุทธิ์อภิสุทธใหม่นะที่สุธิอาศัยฟองไม่เอืเ้อเฟื้อ แสดงธําแก่คนไม่เป็น่ายผู้ถือไม้ฟองต้อมัททุกตนภษาอาณาบัติเหมอกันสามัต ถ, ถีนิทางครั้งนั้นพระเจ้าวกีแสดงธรรมป็นคนผู้ถือสัตราระจงก็มัญญฉ า, าบุตนะครับครับพรว่าแสดงธรรมนีก็คือการให้พรรู้ว่าไม่ว่าจะแสดงธรรมโดยมีเาบาใชใช่แม้แต่ให้พรนะ่ะพรนั้นก็เป็นธรรมะนะที่อยู่ในภาษาตรปิฎกนะครับภาษาบาลีด้วยนะเชื่อเปนการแสดงธรรมเหมือนกัน อเอ า, อาคำพูดที่อยู่ในพระใจมิดโดเั้งหมดนะเป็นพุทเตอร์พ้นนะครับภาษีของภาษาพวกของต น, นนะครับเอาหมดเลย น, น, นะภาษาไทยถือว่าเป็นการให้พยเฉยใช่ไหมแต่ว่าบาลีก็ถือว่าเป็นการแสดงธรรมกันเพราะนันเป็นธรรมะนะครับที่มาจากพระใจมิดโดนะครับ <S <S คำว่าสัตตรานะครับนี่ไง พิสูจคุณทำความศึกษาว่าเราจะไม่แสดงธรรมแก่บุคคลไม่ใช่ผู้เป็นไข่มีสัตานมือได้แก่วัตถุเครื่องปะหามีคมข้างเดียวหรือมีคมสองข้างนะครับพิสุทธด์อาศาัยความไม่เอือ้อเฟื้อแสดงธรรมแก่บุคคลผู้ไม่เป็นไข่ผู้มีสตัตว์ตาต้องบัตทุกข์นะครับต่อไปข้อสุดทา้ายสาวสถีนิทานครั้งนั้นก็จะเจปะิ้ลคีแสดงธรรมแก่บุคคลผู้ถืออาวุธ อาวุธชนิดได้แก่เขาบว่าปืนเก่าทันหรือทันนุนะครับเขาจะสองข้อแรกนะปืนนะครับอันพิสุไม่ควรแสดงธรรมแก่คนไม่เป็น่ายผู้ถืออาวุธพิสูจน์อาศัยควาไม่เอื้อเฟื้อแสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไขยผูออาายมมผม้มือถืออาวุธต้องมาทุกขกดครับถ้าเขาไม่ได้ถือนะแต่เขาคล้องไว้นะครับสวมคล้องไว้ยังไม่เป็นไรนะครับถ้าเขาไม่ได้เอามือจับนะอันนี้เราตาัสามจริงๆนะว่ามือถือนะครับ ถ้าท้อไม่เป็นไ ร, รหรือว่ามื่อฐานสมัยก่อนใช้มีดดาบใช่ไหมถ้ามีดดาบเขาสอดไว้นะสอดเนี่ยติดกับตัวใช่ไหมหรือว่าสอดข้างเขาม่ไดมือจับข้อผูกสอดไว้นะครับนั่นเราก็แสดงทําให้เขาฟังหน้แล้วนกะ็ไม่ใช่ว่าบุคคลที่มีอะไรนะมีสตรานในมือนะครับร่ำลุ่มนะครั บ, รนะรบเอาที่ยังอยู่ในมือยังถืออยู่นะครับถ้าไม่ได้ถือก็ไม่เป็นไรนะ หมดเวลานะครับยังยังดีๆจะพูดขอแรงหน่อยพรุ่งนี้นะตอนเช้ายังไม่ได้เรียนใช่ไหมครับยังให้ช่วยขนมวนเทพไปหน่อยนะครับเ <c oughs> นี่ย <c oughs> ไปไปไว้ที่ใต้ห้องยังยังไม่ถมพ่อ <c oughs> <c oughs> ยังเสียดายใช่ไหม <c oughs> ออไม่ใช่ตรงนี้นะท่านก็เลือกไปแล้วมชอไงท่านจะเอาอืหรือเปล่ า, นะาท่านยืมสวนหนึ่งยืมไปท่านอย้วก็อไนเสร็จแล้วก็ เ, เก็บอะไรน่าสใจ็้ครับอ๋องั้นไม่เป็นไรนะ้ก็ไปเก็บก็แล้วกันนะครับผื่อเป็นประโยชน์นะเพราะห้องนั้นก็งลงๆนะเขาขนของไปเยอะแล้วก็ว่างนะครับตอนเช้านะ ทำอะไรเสร็จมาช่วยขนนะครับเขาบอกไว้ที่ห้องนั้นนะต้งห้องคอมน่ะมันจะว่างใช่ไหมนั่นนะครับได้เรียนให้ดีก็แล้วกันไม่เกะกะอะไรมากแล้วก็พุ่งนี้มีจักขอ ง, ของเราเตรียมแจกนะจะแกนักึกษาห้องเราเลยไปช่วยล้างอบยานะครับพรไม่เยอะมากจะแจกเฉพาะบางบางชิ้นบางอย่างนะครั บ, บครับประมาณทุ่มหนึ่งนะครับเออไม่เป็นไร แล้วแต่ใครไปช้าไปไวไม่มีปัญหานะคะระับวันนี้หลวงพี่หมอเขาจะแจกยากด้วยคร<ม>ับจะได้ทีเดียวนะไปสายเกินก็เพรียนะอบนานไ <c oughs> ม่เป็นไรนะครับวันนี้ก็เที่ก่อนนะครับในท่านิสิตนี้ขอความเชิญงอกงากในธรรมวินัยของพระสมณะสมุทติจ้า จมเก็ดที่นั่งหลายด้วยกันทุกท่านแทน